นี้นะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวจํานวนไม่น้อยเลยมาเจอความทุกข์ในชีวิตแล้วก็ตัดพ้อเนี่ยว่าเนี่ยเป็นเพราะพ่อแม่นี่ทําให้เขาเกิดมาจึงต้องมามีความทุกข์แบบเนี้ยคล้ายๆว่าโทษพ่อแม่นะที่ทําให้เขาเกิดมาแล้วก็ต้องมาเจอความทุกข์เม่อคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเวลาเจอ ลูกเนี่ยตัดพ้อแบบนี้นี่จะทำอย่างไรนะจะตอบลูกจะชี้แจงลูกอย่างไรนะอันนี้เป็นคำถามที่เดี๋ยวนี้นะคนถามเยอะนะโดยพาะหนุ่มสาวเนี่ยอันนี้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเจอคำถามแบบนี้นี่ อย่างแรกคือว่าที่ต้องทำคือว่าอย่าไปโกรธลูกนะที่เขาถามแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนมาต่อว่าพ่อแม่ทั้งที่พ่อแม่นี้ก็؛เลีย้ยงดูด้วยความรักด้วยความเสียสละแต่เจอลูกพูดแบบนี้ถ้าไม่ตั้งสติให้ดีก็จะโกรธนะเราก็อาจจะคิดไปถึงว่าในนี้ลูกอักตันยู หรือว่าคิดแบบนี้ได้ยังไงใครสอนครูบาอาจารย์สอนเหรอถ้าทีแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะเพราะว่าเด็กเขาก็ถามด้วยความสงสัยด้วยความอยากรู้นะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่นี่เขาก็คิดอะไรได้สารพัดนะอย่างที่คนที่เป็นพ่อแม่นี่ไม่เคยคิดมาก่อน แต่การที่เขาคิดไม่เหมือนพ่อแม่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะแล้วจะมีคำถามตนอง น, นี้เกิดขึ้นมากมายซึ่งบางทีถ้าเราไม่รู้ถานใจของตัวเองเนี่ยหรือใจไม่กว้างพอเนี่ยก็จะไปคิดว่าเนี่ยเขาพูดจาจ่วงจาบเป็นพวกคิดร้ายคิดไม่ดี ที่จริงเนี่ยนะพอเจอคำถามแบบนี้เนี่ยควรนะใช้โอกาสเนี่ยพูดคุยอธิบายในนี้ใงพุทธศาสนานี่นะถ้าเราจะอธิบายหรือว่าชี้แจงเมื่อเจอคำถามแบบนี้ควรจะพูดว่าอย่างไรคือในแง่ในข้อแรกเลยนะพุทธศาสนามองว่าเนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นของยากนะ ยากมากมากเลยนะสัตว์ในวัฏตาสงสารเนี่ยที่ไม่มีประมาณเนี่ยที่จะมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากนะผู้เจ้าเปรียบเหมือนกับเต่าตาบอดในหมหาสมุทรซึ่งร้อยปีเนี่ยจะผ่พ้นน้ำขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็ในหมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นี้ก็มีห่วงนะห่วงไม้ลอยคออยู่ลอยเท้งๆตงอยู่ การที่เต่าตัวนั้นร้อยปีเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำแล้วก็พอดีนะตรงกลางห่วงเลยเนี่ยหัวเป็นเรื่องยากมากยากกว่าถูกลอตเตอรี่ลงมาที่หนึ่งเนี่ยไต่อกันสิบครั้งหรือร้อยครั้งเลยทีเดียวนะคจับาารแต่ว่าเนี่ยการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากประมาณนี้แหละเนี่นมันไม่ใช่แค่เป็นของยากอย่างเดียวนะแต่มันเป็นโชคอันประเสริฐด้วย ของยากบางอย่างมันก็ไม่น่าสนใจนะแต่ว่าของที่ยากเนี่ยบางอย่างนี่มันเป็นโชคอันประเสริฐอย่างเช่นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะว่าผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะย่อมมีศักยภาพในการที่จะทำความดีแล้วก็ฝึกสนพัฒนาตนจนพ้นจากความทุกข์ จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่ก็ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเดียวเลยแล้วก็จะเกิดมาเป็นหรือว่าจะได้มาเป็นพระอรหันต์นี่นะั่นก็ต้องอาศัยการครองอัตภาพแบบมนุษย์นี่แหละเป็นประการสําคัญเลยนะสัตว์ในสังสารวัฏนี่ที่จะมีความสามารถในการพ้นทุก์เนี่ยหรือทําความดีจนกระทั่งความสุขอันเป ร, เรื่องนี่ ยากมากนะแม้แต่เทวดาเทวดาเนี่ยนะเวลาเพื่อนเพื่อนเทวดาด้วยกันจะจุดติจุติไปว่าดับนะจะไปเกิดแต่พูดง่ายๆก็จะอวยพรนะว่าขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยอยากเกิดเป็นเทวดาแต่เทวดานี่อยากเกิดเป็นมนุษย์อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นสุคติภพของเทวดาเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ มีข้อได้เปรียบหรือคุณสมบัติที่ดีกว่าเทวดาหลายอย่างเช่นมีสติดีกว่ามีความกล้ามากกว่าและมีโอกาสที่จะประพฤติพรหมจรรย์หรือการปฏิบัติตามอริยมรรคมิอง8จนกระทั่งเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้อา น, นิพานนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดนะเจ้าที่สัตว์ในสังสารวัฏเนี่ยจะพึงบรรลุแล้วก็มรรคธนั้นแหละนะที่จะมีโอกาสบรรลุพานิพานะ มีโอกาสมากที่สุดนะเมื่อเที่ยวกับสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏแต่พูดอย่างนี้เนี่ยนะคนรุ่นใหม่ก็ จ, จะไม่สนใจนะเพราะเขาไม่ค่อยเชื่อนะว่ามันมีปวัฏสงสารอันไม่มีประมาณมีมีเทวดามีการเกิดสุกติหรือทุกติพูดแบบนี้เขาอาจจะไม่ไม่เข้าใจหรือไม่คล้อยตามอันนี้เราต้องพูดอย่างง่ายหนเลยนะว่าเนี่ย ในการเกิดมามีชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวมันมีความสุขด้วยนะลูกที่เขาบ่นนะว่าเนี้ยชีวิตเขาไม่มีความช่วยเขามีแต่ความทุกข์ในจริงเนี่ยมันก็มีความสุขในการที่เกิดมามีชีวิตอย่างมนุษย์เนี่ยก็มีโอกาสที่ได้รับความสุขมากมายหลายอย่างตั้งแต่ความสุขพื้นฐานเช่นการกินการอยู่การดูหนังฟังเพลงไปจนถึงการมีเพื่อนที่ดี นะการได้มีสิ่งวืวอล้อมที่ดีการได้ทำสิ่งที่รักไมนะ่เวลามีแปลกนะคนเราเวลามีความสุขเนี่ยไม่ค่อยนึกถึงพ่อแม่นะหรือขอบคุณพ่อแม่ว่าที่ทำให้เราได้มีโอกาสรับความสุขแต่พอเจอความทุกข์ครานี้ก็โทษพ่อแม่นะว่าเป็นเพราะพ่ อ, พอแม่ทำให้เราเกิดมาเราถึงต้องมาเจอความทุกข์ เวลามีความสุขไม่นึกถึงพ่อแม่แต่เวลามีความทุกข์นี่ก็โทษพ่อแม่ขึ้นมาทันทีเลยนะว่าทําให้เราเกิดมาจึงต้องมาเจอความทุกข์มองยังไงนี่มันก็ไม่แฝงนะมีความสุขตอนมีความสุขไม่นึกถึงพ่อแม่แต่ตอนมีความทุกข์นี่โทษพ่อแม่ขึ้นมาแล้วและจริงเนี่ยไอ้ความทุกข์เนี่ยที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยโดยเพราะทุกข์ใจนี่นะ มันไม่ใช่เป็นเพราะการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะถ้าเราคิดแบบนี้ก็จะไปโทษพ่อแม่นะเนี่ยพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเราก็เลยเจอความทุกข์มากมายที่เราทุกเนี่ยนะมันเป็นเพราะการวางจิตวางใจของเราเองเราวางจิตวางใจไม่ถูกต้องเราปฏิบัติไม่ถูกต้องความทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นกับเราถ้าเราวางใจถูกปฏิบัติ ถูกนะมันก็เกิดสุขได้นะแต่คนเราเนี่ยพอมีความทุกข์ขึ้นมาก็โทษนะว่าเป็นพ่อพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาแต่ไม่ได้มองตัวเองว่าเรามีส่วนทำให้เกิดความทุกข์ที่ใจเราหรือเปล่าเปรียบเหมือนกับนะคนที่ได้รถมานะพ่อแม่ให้รถมาคันหนึ่ง รนะักลูกมากก็ให้รถอย่างดีมาคันเหมือลูกก็ดีใจนขับรถเที่ยวกินลมนะเที่ยวทะเลนะไปเที่ยวเกาะเที่ยวภูเขามีความสุขไอตอนทีนะ่ขับรถเที่ยวมีความสุขไม่นึกถึงพ่อแม่เลยแต่วันดีคืนดีนะเกิดเมาขึ้นมาหรือว่าเกิดคึกขนองขับรถเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาถึงทางพิการหรือว่าต้องเจ็บหนักรักษาตัวที่โรงพยบาบาล กับโทษพ่อแม่ว่าเป็นพ่อพ่อแม่เนียให้รถเรามาเราจึงต้องมาเจออุบัติเหตุเหตุผลนี้มันถูกไหมไอการที่เราเกิดอุบัติเหตุเนียมันไม่ใช่เพราะใครเลยเป็นต้นพ่อเรานะที่ขับรถประมาทหรือว่าขับรถด้วยความเพลินนองแต่บางคนนี้ไปโทษนะว่าเป็นพาะ พ, พ่อแม่ให้รถคันนี้เรามาเราจึงต้องมาเจออ่า อุบัติเหตุหรือต้องมาเจ็บป่วยต้องมาเจอความพิกพิการคิดแบบนี้มันมันไม่ถูกนะมันไม่สมมันไม่ตรงตามเหตุผลเท่าไหร่อันที่พิการเพราะอุบัติเหตุนเนี่ยนะก็เพราะความประมาทเป็นเพราะกินเหล้าเมาไม่คนเรานี่ถ้าหาว่าตระหนักว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะพ่ อ, พอแม่ให้เราเกิดมาจึงต้องมาเจอทุกข์ แต่เป็นเพราะเราปฏิบัติไม่ถูกวางใจไม่เป็นต่างหาคนบางคนนะเขาเกิดมาเนี่ยก็เจ็บป่วยเลยนะอย่างมีผู้ชายคนนึงเนี่ยเกิดมาไม่ทันไรเลยนะก็เป็นโรคโปลิโอสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีวัคซีนป้องกันไม่เหมือนสมัยนี้นะมีวัคซีนป้องกันโปลิโอแต่สมัยก่อนไม่มีนะเมือ่อห้าสหิปีก่อน ก็กลายเป็นว่าพิการมาตั้งแต่เล็กเลยโก็ช่วยก็ลำบากแต่เขาก็ดีนร่นขนควายนะจนทั่งเรียนจบมหาวิทยาลยแล้วก็เรียนได้รังคะแนนที่ดีด้วยเพื่อนเพื่อนเนี่ยพากันแปลกใจนะทำไมคุณอ่ะเป็นโปลิโอนะพิการตลอดชีวิตแต่ทำไมถึงไม่ค่อยมีความทุกข์เลยนะถามเพื่อนเพื่อบอกว่าเนี่ย แต่ก่อนผมก็มีความทุกข์นะทุกข์ที่พิการแต่ตอนหลังก็มาได้คิดว่าเราจะใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยอยู่กับความทุกข์อยู่กับความคับแค้นอยู่กับความสมเพชตัวเองทำไมทำไมเราไม่หันมาขอบคุณสรรพสิ่งที่ทำให้เรามีวันนี้และแกก็เริ่มนะน้อมใจขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณ ครูบาอาจารย์ขอบคุณมิตรสหายขอบคุณร่างกายนี้ที่ทำให้มีโอกาสได้ทำอะไรดีๆหลายอย่างขอบคุณสมองใช่ไหมรู้จักนึกคิดได้ก็กลับกลายเป็นคนมีความสุขขึ้นมานี่เขาตั้งที่เขาเป็นโรคพิการนะเป็นโรคเป็นโปลิโอจนพิการเนี่ยแต่เขาไม่โทษพ่อแม่เลยแต่ตรงข้าม้วกัรที่เขาขอบคุณพ่อแม่ทำให้เขากลับมีความสุข อันนี้มันเชื่อว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยอยู่ที่เรามันไม่อยู่ที่พ่อแม่นะแต่คนเดียวนี้เนี่ยพอทุกข์ขึ้นมาก็โทษพ่อแม่แล้วว่าเป็นเพราะทําให้เราเกิดมาจึงมีความทุกข์เกิดมาแล้วไม่ทุกข์มันก็ทําได้นะถ้าวางใจถูกปฏิบัติถูกนะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่พ่อแม่เนี่ยก็ควรจะชี้แจงให้ลูกเข้าใจนะเพื่อที่จะรับผิดชอบต่อความทุกข์ของตัวเอง ไม่ใช่ไปโทษพ่อแม่ว่าคุณพ่อทําให้เกิดมาจึงต้องมาเจอทุกข์แต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ดนะ้วยบางทีพ่อแม่ก็ไม่สอนให้รู้จักให้ลูกรู้จักรับผิดชอบตัวเองบนเปลือยทุกอย่างเลยนะถึงเวลาลูกทุกข์ก็เลยโทษพ่อแม่แต่ถ้าลูกถ้าพ่อแม่เนี่ยรู้จักสอนลูกให้รู้จักรับผิดชอบตัวเองเวลาทุกข์เนี่ยก็ต้องมาดูจิตดูใจตัวเองไม่ใช่โทษคนนั้นคนนี้ถ้าสอนรูปแบบนี้เนี่ยนะ เวลาลูกเขาเจอความทุกเนี่ยเขาก็จะไม่โทษใครแล้วเขาก็จะหันมาใคร่ควรว่าเออมันทุกที่ตรงไหนนะมันทุกที่วางใจผิดไหมแล้วแก้ที่ตรงนั้นนะอริษษษษสัตซีนี่ก็คือตรงนี้แหละนะคือการที่ให้คนเรากลับมาดูเห็นความทุกและเหตุแห่งทุกที่ใจของเราที่เกิดจากการกระทําของเราเองและถ้ามีได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดจากทุกหรือว่าห่างไกลจากความทุก แล้ว ก, กลับมามีความสุขได้แต่ก็อย่างที่ว่านะถ้าเราเราจะรู้จักหลุดจากความทุกข์ได้เมื่อเรารู้จักขอบคุณชื่นชมสิ่งต่างๆเช่นถ้ารู้จักขอบคุณพ่อแม่นะขอบคุณสรรพสิง่งเนี่ยมันก็ออกจากทุกข์ได้เหมือนกันนะแม้จะไม่ใช่เป็นออกจากทุกข์อย่างสิ้นเชิงอย่างผู้ชายที่เ็เป็นโปลิโอเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวางต้องวางใจให้ถูกแล้วก็ พ่อแม่ก็ต้องชี้แจงให้เข้าใจนะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างพ่อแม่กับลูกอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวทุกวันนี้